นี้เจ้าลิชวีนิครนนิครนสัจการนิครนก็พร้อมกับบริวารก็เข้าไปเนี่ยนะพร้อมกับมหาติยาลิชชวีปริสายะสัตยิงอธิบายว่าเจ้าลิชวีประมาณ500อเวทล้อมข้างล่างเจ้าลิชวีเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ของสัจกะนั้นส่วนสัจกะภายในกรุงเวสาลีก็พาเอาเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อย แล้วก็ฟังว่าวันนี้เราจะต้องการไปโต้วาทะเพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็เลยพากันออกไปด้วยคิดว่าวันนี้จะมีการสนทนาการระว่างบัณฑิตสองคนบัณฑิตคารวาะคือสัจจการิครนบัณฑิตนักบวชคือพระพุทธเจ้าคุยกันวันนี้ไปฟังท่านดูสิว่างันที่นี้มาถึงปัญหาที่สัจจการิครถามพระพุทธเจ้าในข้อ สาม้าสหหน้าเจ็สิบแดบอกว่าสัจการนิครนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอถามปัญหากับพระสมณโคโดมสักหน่อยหนึ่งถ้าพระสมณโคโดมทําโอกาสเพื่อการกล่าวแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าเนี่ยนะจะขอถามหน่อยถ้าท่านเปิดโอกาสให้พระพุทธเจ้าก็ประวรณาด้วยสัพพันญูประวรณาว่าถามเถิดอคกิเวสนะเนี่ยนะถามเลยนะ เกี่ยวกับเรื่องสัพพัญยูปวารณาเนี่ยนะที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้ถามว่าถ้าท่านประสงค์จะถามข้อใดก็ถามข้อนั้นเถิดรายละเอียดในหน้า95้าสิตกักถาอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นทําให้สัจจการนิครนเกิดความอุตสาหะในการถามปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านประสงค์จะถามก็ถามเถอะการตอบปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องหนักสําหรับเราเลยเนี่ยไม่เป็นภาระหรอกนะนะถามอะไรก็ถามมาเถอะ เพราะฉะนั้นพระสมณะโคโดมปวารณาแล้วด้วยปวารณาสัพพัญญุตญาณที่ไม่สาธารณะแก่พระประเจกับพะพุทธเจ้าพระสาวกและมหาสาวกทั่วๆไปอัครสาวกมหาสาวกทั้งหลายเพราะว่าคนอื่นเนี่ยนะไม่มีผู้ใดที่จะมีปัญญากว้างขวางประนีตละเอียดลึกซึ้งเท่ากับพระพุทธเจ้าพระ อัครส า, าวกพระมหาสาวกพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเหล่านี้มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในขอบที่จํากัดเนี่ยนะไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีปัญญาที่ไม่จํากัดเพราะการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถามเธอเรียกว่าสัพพัญยุปรวรณาประสงค์กระถามอะไรก็ถามมาเถอะไม่ได้เป็นเรื่องยากเรื่องเย็นอะไรรอกว่าเั้นปกติแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะประวรณาสัพพัญยุตยานแก่ยะ เนี่ยนะบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้รู้ยิ่งสิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งสังคตะและอะสังคตะฟพระองค์จึงเปิดโอกาสให้แก่ยักษ์จอมคนเรียกว่าผู้เป็นหัวหน้าหมู่คนทั้งหลายเนี่ยนะพวกเทพสมณพราหมณ์ปริพาชกเหล่านั้นเหล่านั้นว่าอย่างที่พระองค์ปรวรณานแก่ยักษ์ว่าดูก่อนอวุโสถ้าหากว่าท่านประสงค์จะถามก็ถามเถอะที่ที่พระองค์บอกววกับอลวกกยักษ์เนี่ยนะพระองค์บอกเลยว่าถ้าประสงค์จะถามก็ถามเถอะ หรือปรวรณาแ ก, แก่พระราชาเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นต้นบอกว่าดูก่อนมหาราชหากพระองค์มีพระราชประสงค์จะถามก็จงถามเธอหรือบางทีพระองค์ก็เปิดโอกาสอย่างนี้แก่เท้าวสักกะจอมเทพว่าดูก่อนท้าวาสวะท่านสนใจปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงถามเราเถอดเราจะตอบปัญหา น, น, นั้นให้ถึงที่สุดแก่ท่านถามเธอตอบได้หมดแหละว่างั้น หรือบางทีพระ อ, องค์ก็ประเวาณาต่อพวกภิกษุว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตนแล้วหากประสงค์จะถามก็ถามเธอหรือพวกเธอยังมีความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นความสงสัยของพราหมณ์ภาวีหรือของท่านของปวงชนเราให้โอกาสแล้วก็จงถามเธออันนี้เรียกว่าพวกสัพพัญยูประรณาเปิดโอกาสให้นักบวชทั้งรัฐที่ ภายนอกพระพุทธศาสนาทั้งพระพิสุในทำไม่ไหนตอบอถามคำถามจากพระองค์พระองค์จะตอบให้ังั้นการตอบปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องหนักไม่ใช่เป็นภาระสำหรับพระองค์หรือบางทีพระองค์ก็แก้ปัญหาของพวกปริพาชกภายนอกว่าดูก่อนสพยะเธอยังสนใจปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจงถามเราเราจะตอบปัญหา น, านั้นๆให้ถึงที่สุดแก่เธอ เขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าบรรลุพุทธ ภ, ภูมิภาวะของความเป็นพระพุทธเจ้าแลปะปวรณาอย่างนี้เนี่ยไม่น่าอัศจรรย์ที่จริงนะถ้าพระพุทธเจ้าแบบแม้จะถามอะไรก็ถามมาเลยอย่า ง, งนี้นะแล้วพระองค์ตอบเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนี้เขานบอกว่าไม่น่าอัศจรรย์แต่ขนาดที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายังอยู่ในประเทสยานครัว่าไม่ใช่สกลยานประเทสยานเนี่ยแปลว่ายานบาง ส่วนสักกะยานยานที่รู้ทั้งหมดขนาดพระองค์รู้แต่บางส่วนนะพระองค์ก็ยังพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาถามปัญหาเพื่อประโยชน์แก่เท้าส ก, กะอย่างนี้ว่าคือพระโพธิสัตว์ขนาดเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเคยประวรณาว่าโกนธัญญาเธอจงถามปัญหาทั้งหลายของพวกฤาษีผู้มีความรู้ดีย่อมขอร้องเธอเนี่ยนะ โกนธัญญะธรรมะในหมู่มนุษย์ย่อมถึงความเจริญนั่นเป็นภาระเพราะฉะนั้นเวลาที่พระองค์เกิดเสวยพระชาติเป็นสารพังคดาบทสัมภะดาบทเนี่ยพระองค์ก็ตอบปัญหาได้อย่างที่พระองค์บอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายได้โอกาสแล้วก็จงถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่ท่านทั้งหลายตั้งใจเอาไว้เราเนี่รู้โลกนี้โลกหน้าด้วยตนเองจักตอบปัญหาของพวกท่านให้ถึงที่สุดนะ่นนะ จะขอตอบปัญหาทุกปัญหาอันนี้ขนาดเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ยังบอกว่าถามเธอหรือบางชาติเนี่ยนะบางชาติขนาดเป็นเด็กเล่นฝุ่นอายุเจ็ดขวบเนี่ยนะยังเล่นฝุ่นอยู่ที่ข้างถนนเลยเนี่ย น, ะนั่งคัดสมาธิถ้าผู้ใดจะถามก็ถามคือว่าปวารณาแบบปวารณาสัพพัญญุตยานแบบพระพุทธเจ้าเลยว่าเชิญเธอเราจะบอกปัญหาแก่ท่านประการที่ท่านผู้ฉลาด แปลว่าจะตอบท่านอย่างคนฉลาดตอบไม่ใช่ตอบเรื่อยเปื่อยตอบแบบคนโง่เรารู้ไม่รู้ก็ตอบไปเรื่อยเปื่อยเราจะไม่ตอบปัญหาแก่ท่านแบบนั้นแต่เราจะตอบแบบคนที่ฉลาดตอบเพราะฉะนั้นนิครนอศัจการนิครนเนี่ยชื่นใจเลยใช่ไหมโอ้เนี่ยตั้งใจจะมาถามและเขาเปิดโอกาสให้คือในเรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าแม้ศัจการนิครนถือว่าตัวเองเนี่ยมีไม้เด็ดที่จะถามพระพุทธเจ้าถ้าถามเสร็จปั๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าต้อง ตองตอบไม่ได้แต่มีเรื่องที่ต้องระวังอย่างหนึ่งว่าพราะองค์เปิดโอกาสให้ถามหรือไม่ถ้าไม่เปิดโอกาสให้ถามจะชนะได้ยังไงเนี่ยนะกระหวัดท่าท่าประลองครั้งนี้ถ้ามีการประลองกันเราชนะแ น, น่นอนต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารับประลองด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ถ้ายังไม่มีการประลองก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเด่นกว่าใครด้อยกับใครใครดีกว่าใครเพราะนั้นก็ต้องสิ่งที่เขาคํานึงอยู่ในใจเสมอก็คือว่า พระ อ, องค์จะเปิดโอกาสพอบอกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสแบบป่าเถาจะถามอะไรก็ถามเถอะยิ้มแป้เลยงานนี้เราชนะแน่เนี่ยนะคือชัยชนะของพวกนี้ก็ได้ อ, อย่างที่แบบทางโลกทางโลกเขาพูดว่าไงนะปัจจุบันนี้ก็ตามอดีตก็ตามอนาคตต่อไปก็ตามคําพูดของชาวโลกทั่วไปเนี่ยนะเขาบอกว่าอํานาจคือเงินตราพรันถ้าเรามีอํานาจเท่าไหร่เงินทั้งหลายก็ไหลามาเทมาพันสัตว์ทั้งหลายก็เลยแสวงหา อำนาจเนี่ยนะเพราะอำนาจนี่คือเงินตราฉั้นใดสมัยก่อนก็เหมือนการชื่อเสียงเป็นต้นนีค่คือคือคือคือคือลาบสการะเพราะถ้าหากว่าไม่ตัวเองไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีคนมาเอาลาบสการะมาให้เมื่อไม่เอาลาบสการะมาให้ตัวเองก็จะเสื่อมจากลาบสการะการที่ต้องการจะมีลาบสการะเพิ่มพูนบริบูรณ์ทํำยังไงสร้างชื่อเสียงตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยโฆษณาตัวเองที่สุดเท่าที่จะ ทำได้เพราะวิธีการโฆษณาตัวเองอีกวิธีหนึ่งก็คือการปราบว่าคนโน้นก็เราชนะมาแล้วคนนี้ก็สู้เราไม่ได้คนโน้นเราก็เก่งกว่าเพราะเก่งกว่าทุกคนคนโน้นก็ยอมรับเราคนนี้ก็นับถือเราเพราะฉะนั้นไอ้คำเหล่านี้มันเป็นคําที่เอาไว้โมโออดเนี่ยนะคนทั้งหลายที่ปัญญาน้อยทั้งหลายก็จะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็จะเอาลาบสักการะเนี่ยไปเทิดทูนและบูชาเนี่ยนะทีนี้ ในคําถามที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสแก่สัจจการนิครนว่าท่านผู้เจริญท่านเห็นสาวกกล่าวคําอื่นศาสดาตรัสคําอื่นเราจะกล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าสาวกของพระสมณโคโดมตั้งอยู่แล้วฉันใดพระสมณโคโดมก็ตั้งอยู่ฉะ น, นั้นเพราะฉะนั้นเราจักยกวาทะอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสโดยกําหนดตามที่พระอัศจิถามแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยนะ ก็จะถามแบบที่ถามพระอัสชิไปคือเรียกว่าจะที่คําถามเพื่อจะให้มันตกร่องเก่าเพราะตัวเองคิดว่าไอ้ร่องเก่าที่ที่พระอสชติตอบเนี่ยตัวเองปราบเอาพระพุทธเจ้าอยู่แน่นอนมันก็วิธีถามก็เลยถามแบบที่เคยถามพระอัสชิว่าพระสมณโคดมสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างไรและคําสอนของพระสมณโคดมเป็นไปมากในหมู่ซกหมู่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างไร เรียกว่าโอวาทานุศาสนีของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นไปในสาวกสอนมากประกาศมากแสดงมากเปิดเผยมากแล้วมุ่งแนะนำคำสอนสาวกทั้งหลายให้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอคิเวสนะเราแนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราเนี่ยนะเป็นไปมากในสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างนี้ว่าก็คือตอนแรกเลยก็ไม่มองว่าเป็นสัตว์ใช่ไ ม, มองเป็น รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็ชี้แจงไปอีกว่ารูปก็ไม่เที่ยงคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงง่ายๆไม่แต่จำแนกออกมาก่อนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้อันนี้คือคือหลักการอะไรหลักการทำปริญญาใช่หหลักการกำหนดรู้ทุกที่ควร กำหนดรู้เนี่ยนะกำหนดรู้โดยความเป็นอุปาทานขันหกักกำหนรู้โดยความไม่ของไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราแนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคําสั่งสอนของเราเป็นไปมากในสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างนี้แลก็คือการที่พระพุทธเจ้าแนะนําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็เท่ากับประกาศว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลทุกขสัจจะทั้งหลายคือขันห้าเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นอนัตตาด้วยและการที่พระองค์บอกว่าไม่เที่ยง <S <S ก็เท่ากับพระองค์เปิดเผยอนิจจานุปัสสนาซึ่งเป็นหนทางข้อปฏิบัตินําไปสู่อริยมรรคการที่พระองค์บอกว่าสังขารทำทั้งปวงเป็นอนัตตาก็พระองค์ประกาศให้สอนเจริญ อนัตตานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็คือวิปัสสนาสัมมาทิฐิอ น, นิจจานุปัสสนาก็คือวิปัสสนาสัมมาทิฐิก็ยกสัมมาทิฐิคืออ น, นิจจานุปัสสนาสัอนัตตานุปัสสนาถ้าสัมมาทิฐิบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็ บริบูรณ์ก็เป็นแนวทางเพื่อให้เจริญอริยมรรคให้พอกพูนเพราะจะ ก, กําหนดรู้ขันห้าโดยอนิจจังแล้วก็อนัตตาแล้วก็เจริญอนัตตานุปัสสนาเจริญอนิจจานุปัสสนายังวิราคานิโรธาปฏินิสขาจนถึงอริยมรรคทั้งหลายให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยนะอันนี้เป็นคําสอนที่พระองค์ชี้นำเนี่ยนะเพราะการประกาศถึงอนิจจังในขันห้าก็เพื่อความเบื่อหน่ายแหละ คลายกำหนัดประกาศความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายก็เมื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลา ย, ลายกำหนัดจิตย่อมหลุด พ, ลพ้นพันแนวทางจึงจะแนะนําว่าขันห้ามไม่เที่ยงนะขันห้ามเป็นอนัตตานะแต่ว่าอจะพูดแบบขันห้ามเป็นทุกข์พูดกับนักลัทธินิยมแบบนี้เนี่ยยากเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นถ้อยคําที่มีช่องว่างขนาดพูดขนาดนี้เนี่ยเรเปิดโอกาสขนาดนี้ก็ถือโอกาสเลย เพราะฉะนั้นนิครนข้าราชการนิครนก็บอกว่าอุปมาเจมแจ้งแกข้าพเจ้าพระสมณโคดมนะคือเรียกว่าปฏิภาณเกิดขึ้นมาแวบขึ้นมาเลยที่จริงคิดไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะบอกพะอะขาพูดจบแนวทางพูดจบปับ๊บเดี๋ยวจะอุปมาให้ฟังพระพุทธเจ้ากก็บอกอุปมาจงเจมแจ้งแกท่านเถิดอคีเวสนะเอาเปิดโอกาสให้อุปมาเลยเนี่ยนะ